เจ็ดวิกาละโภชนะสิกขาบท9ก้าสิบถามทรงบัญญัติปาจิตตีแก่ภิกษุผู้ฉันของเคี้ยวหรือของฉันในเวลาวิกาณณนะที่ไหนตอบทรงบัญญัตินกรุงราชครืถามทรงปรารบใครตอบทรงปรารบพวกภิกษุสัตรสักวคีถามเพราะเรื่องอะไรตอบ